เจริญในธรรมจรึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่หลพระพทยานก็แวะมาพูดเรื่องงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาหนึ่งในเทศกาลวิสาขาบูชาก็มาถึงเหตุการณ์ที่จะทำงานในวันที่สามที่ผ่านมาแล้วจะพูดผ่านมาเนี่ยก็เหตุการณ์ในวันที่สี่ ก็เผื่อว่าท่านสาธุชนไม่สามารถจะไปในวันใดวันหนึ่งก็พยายามหาโอกาสไปสักวันหนึ่งกิจกรรมจากวันที่สองจนถึงวันที่ที่เจ็ดนะมันก็มีพิเศษไปเฉพาะในวันที่หกกับวันที่ 7. เจ็ดสองสามสี่ห้าเนี่ยก็จะอยู่ในแนวเดียวกันเพียงแต่ว่า หัวข้อเรื่องมันจะมีความหลากหลายกิจกรรมมันจะหลากหลายแล้วก็รอบครึ่งหนึ่งของปริมณฑลท้องสนามหลวงด้านเนี้ย ด, ดันถนนราชดำเนินเนี่ยนะก็เรียกว่าด้านอนุสาวรีย์ทหารหาส า, านเนี่ยดนะ้านนี้ก็มีโรงทานของปอเต็กตึงกับร่วงกระตันยูนี่เข้ามาตั้งทุก ป, ปีแล้วก็ กรมยาสงเคราะห์ก็รับผิดชอบในเรื่องครับปาอาหารนี่แล้วก็ข้าราชการฝ่ายต่างๆทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งพลละเรือนก็เข้ามาช่วยเหลือกันแล้วก็ตั้งเป็นกองพับป่าอะไรต่อไปก็เป็นไปตามอทายาสายก็ดูก็ยอดมันก็ลดไปเยอะนะฮะลดไปเยอะซึ่งไม่ใช่เนื้อหาที่เราเน้นแต่ก็นึกว่า คนที่มาเนี่ยถ้าได้ทำให้หมดคือทานศีลภาวนาเนี่ยทำให้หมดมันก็ได้ประโยชน์แล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลที่จิตคุณภาพจิตใจของบุคคลยังนึกว่าถ้าถึงจุดหนึ่งรัฐรับไปเป็นเรื่องงานของรัฐเนี่ยนะแล้วเข้าสนับสนุนออกมาเป็นคำสั่งของ สำนักนายกรันคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนะี่ยไม่จะสำนักนายกนะแล้วก็ทำพร้อมกันท่วประเทศแล้วก็ออกสมรวจเลยฮะสมรวจวัดผลเลยว่าเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ในช่วงตรงนั้นนะี่คือการจะเน้นย้ำเรื่องศีลธรรมเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นความจำเป็นมากขึ้นทุกวัน พอเราลองสังเกตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนไทยต่างๆมันแรงเลยดีแรงจนไม่น่าเชื่อว่าในยุคสมัยที่เราเป็นเด็กๆมันไม่มีกิจกรรมในลักษณะขนาดว่าปล้นฆ่าพระอะไรแต่ไรเนี่ย่ีหรือว่าตัดเสียนพรัตัรูปไปขายนี่ยไม่มีการใช้วิธีการรุนแรงเล่นกันถึงระเบิดอะไรแต่ไรเนี่ย เราหาเจอได้ยากแต่อันี้มันแรงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคนขาดสำนึกทางศาสนาทางศีลธรรมทางคุณธรรมปัญหาจะติดตามมาอีกมากองาะการรณรงค์ที่จริงควรจะทำตลอดนะมันมีข่าวแว่วๆมาว่าองค์การสัชัญชาติหรืออะไร น, นี่นะ ให้รณรงค์คือเรียกว่าเป็นปีแห่งเมตตาธรรมคำจุดโลภแล้วก็รณรงค์กันทั่วไปแต่เราดูประเทศใหญ่ๆแล้วไม่มีข้าวก็เมตตาธรรมเลยเตรียมอาวุธยุทธปัจจัยจะถล่มทลายกันเพราะาอะไรเพราะมันไหลาตามกระแสะกิเลสมันไหลง่ายนะการปฏิบัติธรรมะมันทวนกระแสะกิเลส แต่เราไม่สามารถยับยั้งบรรเทารลภาโทสะโมหะได้เนี่ยมันก็เราลดความรุนแรงไม่ได้ปัญแนตัวนี้ที่จริงก็ต้องการเพียงแต่ลดนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องปฏิบัติพัฒนาจนหมดกิเลสมันเรื่องใหญ่สู้กับกิเลสจนกิเลสหมดเปนเรื่องใหญ่เลย เราก็เอาแต่ทาตามยถาสติยถาพลังได้กำลังความสามารถตอนในวันวันที่สี่แล้วก็เริ่มเช้าตอนเช้าก็ถวายพระตาหารเจริญพระพุทธมนต์เหมือนเดิมนะฮะเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ถวายพระราช ก, กุศลเจริญจิตภาวนานี่เป็นกิจกรรมที่ทำมาอย่างนี้ทุกปี ก็ถวายเป็นบระเจ้กุศลใดประบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังไงก็ขอให้ท่งประชนมายุยิ่งยืนนานกันแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางนนะอย่างน้อยก็เรารู้สึกว่าเราได้ทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็กรมประชาสงเคราะห์ก็ถวายพระตาหันเพล แล้วก็มีการอภิปรายถ่ายทอดเสียงทางวิชาการตรงนี้ก็ใช้เวลาสองชั่วโมงอย่างที่บอกปีที่แล้วนี่คนเต็มเต้นเราขยายออกไปแล้วคนเต็มก็ เ, เป็นเรื่องที่น่าดีใจปีนี้ก็ยังนึกคาดหวังนะฮนะแต่ว่าช่วงมันไม่เคยมาอยู่ต้นเดือนขนาดนี้ส่วนมากแล้วจะอยู่แถวๆกลางเดือนแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามแต่แถวโน้านานะนา แล้วก็บางทีก็ไปอยู่ปลายเดือนพฤษภาคือเด็กนักเรียนก็เปิดเรียนปกติถ้าถ้าถ้าเด็กเปิดเรียนแล้วคนจะเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องให้การศึกษาและยังคิดว่าต่อไปเนี่ยเราคงจะปล่อยเสรีคืออย่าไปนเน้นเรื่องประวัติสรสรุนิพนธนอย่างเดียวนะคุณแสดงงิถ่ายทอด นิทัศการทางศาสนาออกมาในรูปแดบแบบใดก็ได้เขาให้ทำก็ได้กันเพราะว่าประสูรสรุนิาพานดิมคิดยากเหมือนกันแต่ไม่กรอบมันแคบไปแต่บางทีก็เกิดซ้ำซากมันก็ดูที่สวยงามไม่สวยงามซึ่งมันน่าจะได้ผลมากกว่า น, นั้นแล้วก็มีปเทศนามาชาติเหมือนกัน บรรลุนราชวาราวหารแต่ก็มีเจ้าภาพนะมีเจ้าภาพโดยราชการจะรับเป็นเจ้าภาพกันทุกวันทุกวันวันนั้นพวก น, นั้นวันนั้นพวกนั้นก็จะบอกไว้แล้วก็จะจองกันเดี๋ยวพอพวกกระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่ก็จะจองกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนแก่เยาวชนทั้งหลายกิจกรรมวันที่ห้าก็อยู่แนวตรงนี้นะครแนวตรงนี้มาถึงกิจกรรมเสริมพุทธศาสนาบรรยายโดยผู้ทรงกานูสพอถึงสิบเก้าเลยจะบรรยายธรรมโดยพระเถระผู้ใหญ่ท่านจะว่ายังไงก็ได้นะครก็ส่วนมากก็จนถึงทุ่มคุงไอสองทุ่มสองทุ่มกว่าๆวันสถานีวิทยุพลหนึ่งเนี่ยเขาจะถ่ายทอด แล้วมาถึงที่แปลกออกไปก็คือในวันที่หกวันที่หกนั้นสมเด็จพระเทพ ร, รัตนาราชสดาสยามรบรมราชกุมารีจะเสด็จราชดำเนินไปประธานเสาเสมาธรรมาจากักรแล้วก็รางวันรางวันพวกเยาวชนซึ่งมันต่อสู้กันมาจากโน้นจากต่างจังหวัดนะฮะ แล้วก็ต่อสู้กันมาเป็นจังหวัดเป็นภาคเปน็นอะไรเรื่อยมามาถึงต่อสู้กันที่ส่วนกลางก็เป็นการประกวดบรรยายธรรมแล้วก็สวดมนต์ทำนองสรพันยักแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เสริมแสดงกิจกรรมทงางศาสนาก็มีรางวัลเสาเสมาธรรมจักเนี่ย เราใช้มาตลอดแล้วก็พยายามปรับให้เบานะคือไม่ต้องการจะรบกวนต้เด็กประเทศมากเกินไปก็เวลานี้จะเบามากนะเมื่อก่อนก็ถือว่าหนักไปว่าเจ้าหน้าที่สำนักราชวังเนี่ยเขาก็งองแงตลอด้เรื่องเสาเนี่ยคือจะไม่ให้แจกเสาแต่เราก็พยายามลดให้เบาเวลานี้จนเบานะะเบาเป็นกรัมไม่กี่กรัมเลยนะ หรือกวงข้างในแต่ว่าทำให้สวยงามมากยิ่งขึ้นราคาแพงขึ้นแต่ว่าน้ำหนักเบาลงก็เพื่อจะไม่ให้เหน็ดเหนื่ยอยทรงเหน็ดเหนื่อยในการแจกที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าราษฎรเนี่ยเขาภาคภูมิสิดชีวิตนะฮะเป็นชีวิตเขาครั้งแรกครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตเขาที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามาโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไร นะก็ทางผู้ว่าทางเจ้าขณะจังหวัดเนี่ยเขาจะคัดสรร ม, มาคัดสรรกันหลายตอนนะฮะกว่าจะได้มาขนาดนี้ที่จริงก็มาจะเป็นร้อยๆเนี่ยเหลือร้อยหกิบหกสิบี่หรือสเจ็ดร้อยหกสิบสี่ไปนําไปเฉลิมฉลองกันไปพบบางจังหวัดเนี่ยท่านเอาขึ้นไปไว้บนนู้นเลยนะฮะทําเป็นสั ญ, ญลักษณ์เอาไปไว้ที่ เ, เรียกอะไรหน้าจัว่วเลยอช่อฟ้าอะไรเนี่ยหน้าจัว่วเนี่ยของ สาลาการเรียนปั่นก่อนไปที่ระยองก็ไปเจอท่านได้รับเสาแล้วก็ท่านก็ไม่ใช่เอาเสาหรอกแต่ไปสร้างจําลองขึ้นไว้บนของบนวันเกียรติบารตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องค่อนข้างเปล่า บ, บางละเอียดอ่อนนั่นเป็นเหตุผลทางจิตวิทยานะคือมีอยู่ปีหนึ่งที่เรามีปัญหาคลุกคลักมากเราก็หาคนแจกเสาเสียมาทำไมแจกไม่ได้ ถูกต่อว่ากันเยอะเลยแล้วก็เวลาลงก็ลงเนี่อาตมาเนี่ยเป็นรายกาธิการก็ลงเวลาก็ด่ามาเขาก็ด่าเที่อาตมามืา่อบางเรื่องมาไม่รู้เรื่องเลยเนะแต่เขาก็ดา่าเราก็ต้องยอมรับพวันตรงเนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศของคนที่เขาจะมารับแล้วก็พระก็ผู้ทํางานาศาสนาแบบปิดทองหลังผามา ทเหล่านี้ท่านไม่ได้คาดหวังหรอกว่าจะมีรางวรางวัลอะไรแต่ไรเลแล้วก็มีคนไปสืบหามาเองแล้วก็นํามาประกาศยกย่องเพราะฉะนั้น จ, จุดตรงนี้ยจึงพยายามที่จะให้ได้รับจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ ม, มารีเพราะว่าประชาชนขอเคารพนับถือพระองค์แล้วก็เป็นเกียรติวัตรของเ ข, ข, ข, ข, ขานะฮะได้ถ่ายภาพร่วมและรับจากพระหัตถ์มัน เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตเป็นครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายเพราะท่านนําไปฉลองเนี่ยได้เงินเป็นล้านๆ น, นะจะเล่นแล้วเวนิเสเซอไมาต์จากเราที่จริงมันขึ้นอยู่ระดับระดับของเขาเรียกอะไรล่ะสังเกติคุณสัมพันธ์สังเกนแล้วก็มูลนิธิทานน้าใจเนะนี่ยนะเราก็อยู่ระดับนั้น จึงมีการคัดเลือกกันเข้มงวดแล้วก็พยายามลดจำนวนลงไปปีนี้ก็มาอยู่ที่ร้อยหกสิบสี่ก็คารวะกับพระและทั้งในทั้งต่างประเทศมันกว้างไง น, นะคนท ม, มากิจกรรมตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนชักชวนท่านพุทธศาสา น, นิกชนให้ไปรับสเสด็จ ตั้งแต่เวลาก็ประมาณสนะิบห้าจุดสามูนย์ะฮะแต่ว่าเสด็จจริงๆในเสด็จเวลาสิบเจ็ดแต่ก็ควรจะไปเตรียมอะไรตรายไวพอสมควรเพราะว่าเจา้าหน้าที่เนี่ยหลายฝ่ายกิจกรรมนี้มีเยอะเลยตรงนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับถวายเกียวตัายเกี่ยวกับอะไรอะไรจัดอาคารสถานที่ต่างๆ แล้วก็พอถึงเวลาสิบเก้าก็เหมือนเดิมนะคือจะบรรยายธรรมโดยระเทระที่ทรงคุณูธจะว่าทุกคืนตอนสามทุ่มเนี่ยกรมมิทยาศาสตร์ทาหารบกจะทำพุ้แสงสีสวยงามก็ลดหลั่นกันลงไปแตกต่างกันไปก็แล้วแต่ว่าท่านจะคิดอย่างไรทีนี้พอถึงวันที่เจ็ดในเรื่องใหญ่เลย วันนี้เจ็จะเป็นวันสําคัญคือเป็นวันวันธรรมสวรรค์วันวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นวันปิดงานเป็นวันที่ถือว่าคนจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่วันนี้กับวันที่สมเด็จประเทศเสด็จกับวันเปิดงานนะฮะวันเปิดงานปีนี้ก็อยากจะเห็นญาติโยมไปร่วมกันมากหน่อยคืออย่านึกโดยเฉพาะญาติโยมที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่สิบวันที่สิบเมษายน นะที่ไปเสนอหนังสือต่อท่านนาะยกรัฐมนตรีนี่อยากเห็นญาติโยมชุดนี้มาร่วมกันมากๆนะเพื่อบูชาต่อพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เวียนเทียนประกอบพิธีกรรมความธรรมอะไรก็แล้วแต่อยากย้ายปริมลรอบท้องสนามรูวงนี่จะมีวิทยากรบรรยายเป็นเต้นๆนีหลายเต้นเนี่ย น, นะเต้นเราก็ทำไว้เยอะมาก็สั่งเพิ่มบอกว่า ถ้าคนต้องการเพิ่มก็เพิ่มเลยแล้วเราก็ไม่กีดกันนะนะคือคือศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามีหน้าที่ส่งเสริมเพราะเราจะไม่มีเรามีเขาเราจะมีแต่พวกเราตอนนั้นเพราะในที่บางแห่งบางบางคณ ะ, ะเขากรีนออกกรีนใจนะฮะก็มีกลุ่คนมาถาทาทามติดต่อบอกไม่ต้องเอาเลย เต็มที่ตามสบายไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือคือไม่ดังเกลดังงอนอะไรแต่ว่าต้องรักษาหลักการของผู้สาธารณเด็กเบญญาที่บายทำมาให้นอกเรื่องนอกเล่าไปเอาขอเท่า น, นั้นส่วนจะมีวิธีการต่างๆอย่างไงก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่าท่านเหล่าเนี้ไม่ก็หาหาเงินหาทองในกิจกรรมของท่าน น, นนะครับกิจกรรมของท่าน ส่นจะเข้าช่วยงานหรือไม่เนี่เป็นเรื่องของท่านเราเราไม่ได้เกี่ยวอะไรคือขอให้้าพุทธเราเนีมาได้ร่วมงานกันแล้วก็เรียก่ร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมทำงานที่เป็นผลประโยชน์แก่ศาสนาคือเราอยู่กันจนเป็นเราเป็นเขาจนบางทีก็น่ารังเกียจไปคือมันเหมือนกับคนต่างาศาสนากันแล้วก็แบ่งแยกกันเกินไป มันน่าจะมีศูนย์รวมในจิตใจของพุทธศาสนิกชนอยู่ด้วยกันไม่มีวัดนั้นวัดนี้ไม่มีสำนักนั้นสำนักนี้ในการนั้นในการ น, านี้อย่าให้มีอย่างนั้นมันเป็นสั ป, ปดาห์ของการศึกษาธ ร, รมปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมาทำหลักพระพุทธศาสนานั้นมันต้องถดถอนอัตตาตัวเองลงไปได้คืออัตตาเนี่ยต้องลดลงไปแล้วก็ มีความรู้สึกยอมรับนับถือคนอื่นเพิ่มขึ้นก็จะอ่อนด้อยบางจุดบางประเด็นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือแสดงความเป็นมิตรกับเขาถ้าเขามีสัปดาห์มีปีแห่งเมตตาธรรมขับจุดโลกได้จริงๆเนี่ยนะฮแล้วแต่ต้องรดรงันนะฮะต้องลดรงันต้องเชิญชวนจากชวนกันแล้วก็แนวเหล่านี้มัน ต้องมีสระน้ําลูกหยอกอภยัยหมายความองค์กรของรับเรืออะไรก็ตามนะควรจะมีรางวัลยกย่องเกียรติบัตรเกียรติคุณอะไรแต่ใดเนี่ยนะฮะคือคือไม่ใช่เป็นของมีค่าในด้านเงินตราแต่ให้มีค่าในด้านความรู้สึกนั่นจิตใจนะเช่นว่าอาจจะเป็นประกาศเกียรติคุณของคนที่ทาความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าจะรับก็บใครอย่างเนี้ย เป็นเรื่องใหญ่ยังวันก่อนก็ไปคุยกับพวกเซเ e ่นอีลเนี่ยเขามีกิจกรรมส่งเสริมการสอบท ร, รมศึกษาของครูที่สอนวิชาศิลธรรมตอนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วกำลังสมรวจครูที่มีผลงานดีเด่นเนี่ยจะนำมารับรับรางวัลพร้อมด้วยเกียรติบัตรแล้วก็ถามเขาว่าจำนวนมากเลครับ บอกว่าคงไม่มากหรอกแล้วก็มีรางวัลด้วยเงินจำนวนหนึ่งเบือปัญหาสำคัญว่าใครควรจะเซ่นนะนะควรจะลงพระนามบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องศาสนานะฮะถ้าได้พระนามสมเด็จพระสังฆราชต่ฐานาสะสกลมาสังกัปนายกเนี่ยมันก็เป็นสิริมงคลแก่คนเหล่านั้นถ้าไม่มากนี่ยคงไม่เป็นการรุกรนอะไรเท่าไหร่ อันนี้ก็คือคือเรื่องที่ต้องช่วยกันในะสังคมเนี่ยสรุปว่าเราต้องช่วยกันพอตาจะไปคิดเรื่องของตัวเองเห็นแก่ตัวเองแล้วก็มัวแต่แก่งแย่งชิงดีริษยาเหยียดเบียนกันแล้วเนี่สังคมจะอยู่ยากมากขึ้นทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าในกระแสะโลกาภิวัตน์เนี่ย เด็กๆของเราเนี่ยเธออยู่กับคนต่างชาติเธอเล่นอินเทอร์เน็ตเธอเล่นซีดีเธอเล่นเทปคาเสเซ็ตเธอดูการ์ตูนเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกหลานเราไปอยู่กับชาวบ้านอยู่กับคนนอกบางครั้งบางคราวจึงเกิดเป็นสุญญากาศคือช่องว่างที่ครอบครัวเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ลูกหลานเรียนรู้มาอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็พ่อแม่ก็อยู่ในสังคมอดิเจ็งเนึ่ย น, นะจนบางทีก็บ้างงานจนทิ้งลูกทิ้งเต่าบางทีเป็นเดือนเดือ น, นไม่พบถูกพ่อได้ยินแต่เสียงพ่อได้ยินแต่เสียงแม่โทรศัพท์ บ, บอกลูกแม่เป็นอย่งงางนั้นพ่อเป็นอย่างงี้ละไรแต่โทรศัพท์บอกมาพอกลับมาถึงลูกก็หลับแล้วพอลูกตื่นไปโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ยังไม่ตื่นพบแต่คนใช้ยเป็นปัญหานะ ดังนั้นการทบทวนบทบาทของตัวเองโดยการศึกษาธรรมหัดปฏิบัติธรรมะถ้าเราจับเมตตาได้สักข้อเดียวนะครับเมตตาได้แล้วไปไปสิวเลยไปได้อีกเยอะแยะไปหมดแต่สี่ห้าก็าดีอยบอยมุขห่าไอ้บยมุขทั้งหลาย 6, 7, หกเจดอะไร้่อะไรมันจะแก้ไปโดยธรรมชาติเพราะเ้าเราสังเกตว่าถ้าเราเมตตาสมมติเราเมตตานายกเี่ย ถามเราฆ่านายกอได้ไหมเราฆ่าญาตินายกอได้ไหมฆ่าเมียนายกอได้ไหมฆ่าลูกนายกอได้ไหมฆ่าแม่นายกอได้ไหมมัฆ่าไม่ได้โดยธรรมชาติเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นลูกเมียพ่อแม่ของคนที่เรารักเขาเราทํำลายเขาไม่ได้รักทรกัพย์นายกอได้ไหมรักทรพัพย์ครอบครัวนายกอได้ไหมไม่ได้ตลอดเนะี่ยแต่รั้วบันเนี้ยเป็นญาติของเพื่อนเราเนี่เรารักไม่ได้นะ เดีม่มันไม่ใช่แผ่ง่ายๆไม่ได้แผ่ไปคนเดียวนะแผ่ไปเลยถามว่าร่วงเกินคู่ครองในกอได้ไมัมยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยแล้วถ้าาคู่ครองก็ถูกร่วงเกินเนี่ยเราเห็นแล้วก็ปกป้องมันเป็นญาติมันเป็นพี่น้องมันเป็นเพื่อนแล้วมันลากไปถึงลูกถึงหลานถึงเลนเนื้อว่าว่าอะไรมันแตกไปตรงนี้มีความทับกัน อย่างว่าคนไปเจอกันคนไทยไปเจอกันต่างประเทศเอาจจะมองกันด้วยความหมั่นไส้ด้วยอะไรแต่ไรรู้สึกพอรู้ว่าต่างวาตะเป็นคนไทยก็ดีใจนะร้ายเป็นญาติพี่น้องกันไปนั่นคือความรู้สึกเป็นพวกเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ว่าให้เป็นพวกเดียวกัน เพียงแต่ว่าในตอนต้นๆเนี่ยพยายามขยายพวกเราให้สูงขึ้นให้กระจายวงมากจริงๆโดยอาศัยจุดยึดเหนี่ยวในด้านต่างๆแล้วเมตตาธรรมมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นสิลก็ออื่นก็จะมาเองโดยธรรมชาติเลยไม่ต้องไปนับรหรอกสินข้อหนึ่งนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่มากใครพัฒนาจิตตัวเองให้อาศัยการงดเว้นจากการขาดสัตว์ ไม่พกพาสัตวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายก็เดินไปอย่างนี้นะพอถึงเมื่อตายดูได้แล้วอย่างอื่นเนี่ยศีลอีกสามสี่ข้อเนี่ยอวบายามุขทั้งหลายนี่ไม่ทํานะเพราะคนที่เมตตาแผ่ไปถึงคนอื่นได้มันแสดงว่าเมตตาตัวเองก่อนแล้วทีนี้เมตตาตัวเองก็ต้องถนอมตัวเองรัตนาความสุขความเจริญแก่ตัวเอง อันบา ย, ยมุกแต่และข้อเนี่ยมันให้อะไรมันให้ภัยมันให้อันตรายมันให้ความทุกข์เดือดร้อนแก่บุคคลต่อ น, นี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจับหลักการตรง น, นี้ได้เนี่ยเราจะเรียเมตตาไมตรีต่อกันได้แล้วก็มาพิสูุกันที่ท้องสนามหลวงเนี่ยคือคืออยากรู้สึกเป็นเราเป็นเขาบางทีเนี่ยคือเช่นว่า หนังสือของศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาเองที่จำหน่ายแล้วจะได้ทุนไปของศูนย์มาดำเนิน ง, งานต่อไปเนี่ยปกติก็ขายไม่ค่อยได้มากเพราะว่ามีคนไปขายแข่งอยู่เยอะเลยและกรรมการบางท่านก็รู้สึกไม่พอใจแต่มาเองก็เฉยๆนะฮะบอกว่าให้เป็นธรรมะที่ถูกต้องก็แล้วกันและช่างเขาถึกก็จะซื้อของใครก็เป็นหลักธรรมในทางศาสนาด้วยกันแต่ ขออย่างเดียวนะฮะว่าขอาให้เป็นคาสอนที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะจรตรวจสอบเพราะเมื่อเราไม่มีโอกาสตรวจก็ต้องยอมรับนับถือพวกกันชาวพุทธด้วยกันั่นใจดังอย่างเนี้ยสามารถถ้าเราสร้างหลักร่รวมความคิดได้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมผลประโยชน์กันได้แล้วก็ศาสนานั้นอย่างจะเป็นประทีปสองทางให้แก่ชีวิตมนุษย์ได้ไปอีกนาน หากว่าคนไม่ทอดทิ้งาศาสน า, สาศาสนาก็จะไม่ทอดทิ้งคนเท่าฟังทา่าไแต่โรวพ่พทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทาน่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี